ความทุกข์ของพวกเราเลยมีอยู่สองแบบด้วยกันคือทุกข์ทางร่างกายกับทุกข์ทางจิตใจวิธีแก้ความทุกข์ของร่างกายกับของจิตใจก็ไม่เหมือนกันต้องศึกษาว่าวิธีแก้ความทุกข์ของแต่ละส่วนนั้นแก้อย่างไรความทุกข์ทางร่างกาย คือการขาดแคลนปัจจัยสี่เช่นอาหารอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้าขาดแคลนปัจจัยสี่ก็ต้องหาปัจจัยสี่มาให้กับร่างกายเช่นเวลาที่มีมีภัยต่างๆมีวาตาภัยมีอุท ก, กภัย มีไฟไหม้ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารไม่มีเครื่องนุ่งห่มไม่มียารักษาโรคอตอนนั้นเราก็จะช่วยกันช่วยกันหาปัจจัยสี่มาให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนอพอร่างกายได้รับปัจจัยสี่ ความทุกข์ทางร่างกายก็หายไปแต่ความทุกข์ทางใจยังอาจจะไม่หายเพราะความทุกข์ทางใจนี้ยังไม่ได้รับการดูแลความทุกข์ทางใจเกิดจากความอยากความอยากได้สิ่งที่เคยมีอยู่เช่นเคยมีบ้านมีสมบัติแต่ถูกไฟไหม้เผาไป ไม่มีใครหามาให้เราได้เขาหาได้ผู้อื่นหาได้ก็เฉพา ะ, ะการขาดแคลนทางร่างกายแต่ความทุกข์ของทางใจนี้เราต้องมาแก้เองคนอื่นแก้ไม่ได้ทุกทางใจของพวกเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดจากความอยากต่างๆอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากไม่สูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปพอเกิดเหตุการณ์ทำให้เกิดสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาวิธีแก้ความทุกข์ใจเราก็ต้องมาสอนใจให้รู้ว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากไม่สูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไป แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่รู้จักวิธีแก่วิธีแก้เราต้องดูความจริงว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันมีอะไรรับประกันได้ไหมว่าถ้าเรามีแล้วมันจะต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆเป็นของเราไปเรื่อย ถ้าเราดูความจริงเราก็จะเห็นว่าไม่มีใครรับประกันได้นอกจากบริษัทประกันภัยแหละบริษัทประกันภัยเขาก็ไม่ได้รับประกันการสูญเสียเขาเพียงแต่รับประกันการชดเชยถ้าเกิดการสูญเสียเขาก็จะชดเชยให้เช่นถ้าเราป ร, ประกันบ้านไว้ราคาเท่านั้นเท่านี้เวลาบ้านถูกไฟไหม้ไป เขาก็จะมาชดเชยค่าเสียหายของบ้านหลังนั้นตามที่ได้ตกลงกันไว้ถ้าประกันไว้หนึ่งล้านเขาก็จะจ่ายเงินหนึ่งล้านให้กับเราแต่ก่อนที่เขาจะจ่ายเงินหนึ่งล้านเราก็ต้องจ่ายเงินหนึ่งหมื่นให้เขาก่อนเป็นค่าประกันนี่เราจะยอมเสียไหมเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่บ้านมันจะไหม หรือบ้านมันจะไม่ไหม้ถ้าเราอยากจะให้สบายใจเราก็ยอมเสียน้อยดีกว่าเสียมากยอมเสียค่าประกันไปแล้วเวลาถ้าเกิดเสียใหญ่เราก็จะได้รับการชดเชยแต่ไม่มีใครมารับประกันสิ่งต่างๆให้มันอยู่กับเราไปได้ตลอด แล้บางอย่างเขาก็ไม่รับประกันคือรับประกันไม่ได้เขาประกันได้เพียงแต่หาหาอะไรมาทดแทนให้เท่านั้นเองเช่นประกันชีวิตเนี่ยเวลาประกันชีวิตเขาไม่ได้มาประกันว่าเราจะไม่ตายกันคนซื้อประกันชีวิตก็ต้องตายคนไม่ซื้อประกันชีวิตก็ตายเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่า คนที่ซื้อประกันก็จะมีผู้ที่มาอารับภาระเกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่ผู้มีชีวิตที่ผู้มีผู้ที่สูญเสียชีวิตไปเคยรับผิดชอบอยู่เช่นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบหาเงินทองมาเลี้ยงครอบครัวพอหัวหน้าครอบครัวตายไป ถ้าหัวหน้าครอบครัวซื้อประกันชีวิตไว้บริษัทประกันเขาก็จะมารับภาระตามที่ได้ตกลงกันไว้น่าแต่จะกำหนดราคาต้องการให้เขาประกันชดเชยเท่าไหร่ mm hmm. เขาก็จะทำตามที่เราตกลงกันไว้แต่ชีวิตนี้ไม่มีใครรับประกันได้ชีวิตของคนเราทุกคน ไม่มีใครมากําหนดได้ว่าจะอยู่ไปกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่คือสิ่งที่พระ เ, เจ้า ส, สอนให้เราคิดกันไว้ก่อนเพราะถ้าเราคิดกันไว้ก่อนเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดะ ต้องมีวันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งที่จะต้องมีการพัดพรากจากกัน <c oughs> ไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตอนตายแต่ถ้าเราได้ได้ศึกษาได้รู้ความจริงแล้วเรามาเตรียมตัวเตรียมใจถ้าซื้อประกันได้ก็ซื้อประกันถ้าซื้อประกันไม่ได้ก็ซื้อ ซื้อธรรมะแทนธรรมะก็จะมาช่วยเราได้ธรรมะจะสอนให้เราฝึกใจทาใจให้เฉยๆไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆใจของเราตอนนี้มันชอบไปดีใจเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆเราไม่รู้จักห้ามมันไม่ให้เสียใจไม่ให้ดีใจ ถ้าเรามาฝึกใจได้สอนใจให้เฉยๆได้อย่าไปดีใจกับไปเสียใจดีใจก็ไม่ดีดีใจกับของที่เราได้มาเดี๋ยวเวลาของที่เราได้มาเสียไปเราก็จะเสียใจให้เราเฉยๆมาก็มาไปก็ไปไม่ได้ปฏิเสธนะ เรายังต้องอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราต้องรู้จักทำใจรู้จักทำใจว่าเขาจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเราจะไม่ได้อยู่กับเขาไปตลอดเขาเขาไม่ไปจากเราเราก็ต้องไปจากเขานี่คือความจริงของชีวิตของพวกเราทุกคน ที่พวกเราทุกกันเพราะพวกเราไม่มองความจริงกันไม่ยอมมองความจริงหรือปฏิเสธความจริงไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมให้ความจริงนี้เกิดขึ้นกับเราเราไม่อยากให้สูญเสียสิ่งที่เรารักไปไม่อยากสูญเสียคนที่เรารักไปเราจึงทุกข์กันทุกข์เพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริง เราอยากให้ความจริงนี้เป็นไปตามความอยากของเราคือให้ของให้เรามีแต่ของดีๆให้มีแต่ของที่จะไม่ชำรุดสุดโทรมไม่มีของที่จะตายจากเราไปแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่มีใครที่จะมาควบคุมบังคับสิ่งต่างๆที่ที่เราไปครอบครองหรือไปเป็นเจ้าของ ให้มันเป็นของเราไปได้ตลอดเวลานี่แหละคือความทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะไม่ยอมรับความจรงิงไม่ยอมศึกษาความจริงกันถ้าเราศึกษาความจรงิงแล้วเราสอนใจให้รับความจรงิงใจของเราจะไม่ทุกเวลาที่เกิดการสูญเสียเกิดการพัดภาคจากกันนี่คือเรื่องของความทุกข์ใจ วิธีแก้ความทุกข์ใจนี้ต้องแก้ด้วยสมาธิด้วยปัญญาสมาธิก็คือการทำใจให้เฉยๆนั่นเองปัญญาก็สอนใจว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะไม่มีวันจากกันไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการจากกันทุกอย่างที่เราได้มาตั้งแต่ร่างกายของเรานี่ มันเป็นของเราชั่วคราวสิ่งแรกที่เราได้ตอนที่เรามาเกิดในโลกนี้ก็คือร่างกายอันนี้นั่นเองร่างกายอันนี้เป็นของพ่อแม่สร้างขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ร่างกายของเรานี้เกิดขึ้นมาไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่มาสร้างร่างกายแล้วเราก็มารับร่างกายจากพ่อแม่มา พอออกจากท้องมาเราก็เลี้ยงดูร่างกายให้เจริญเติบโตพอร่างกายเจริญเติบโตก็เริ่มสามารถหาสิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติได้หาคนนั้นหาคนนี้มาเป็นสมบัติหาข้าวของหาเงินทองหาบ้านหารถหาอะไรต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เราหากันหาข้าวของกัน ออกไปทำงานทำการเพื่อเพื่อที่จะได้ไปหาเงินหาทองพอได้เงินได้ทองเราก็จะได้ไปซื้อของต่างๆที่เราอยากได้กันแต่เราเคยคิดกันบ้างหรือไม่ว่าของต่างๆที่เราหากันมาซื้อกันมานี้สักวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไปหมดสักวันเราจะต้องทิ้งเขาไปหรือเขาไปก่อนบางทีเขาไปก่อน บางทีเราไปก่อนเวลาเราไปก็คือเวลาที่เราต้องทิ้งร่างกายนั่นเองเพราะถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้ร่างกายนี้เป็นที่ตั้งของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดเป็นดวงวิญญาณก่อนที่มีร่างกายเป็นดวงวิญญาณที่ วนไปเวียนมาหาลอรับร่างกายพอได้ร่างกายเราก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งที่เราหากันก็มีอยู่สี่อย่างใหญ่ๆหนึ่งคือลาบอสองคือยศสามคือสรรเสริญสี่คื อ, อการมคุณห้า คือรูปเสียงกลิ่นนกโธพิภเพราะสิ่งเหล่านี้มันให้ความสุขกับเราเพียงแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่ว่ามันจะหมดได้พอมันหมดความสุขที่เราได้จากมันก็จะหายไปแล้วความทุกข์มันก็จะเข้ามาเนี่ยนี่คือความทุกข์ของใจทุกจากการสูญเสียสิ่งที่รักที่ชอบไป เราหากันทุกวันหาราบหาเงินหาทองราบคือเงินทองทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี่เรียกว่าราบยศก็คือตำแหน่งต่างๆไม่ว่าใครก็ตามชอบมีตำแหน่งีสูงกว่าคนอื่นแม้แต่เด็กนักเรียนยังเป็นมีหัวหน้าชั้นเยทุกแห่งทุกคนเขาจะมีการตั้งยศตั้งตำแหน่งกันเอคนที่เก่ง ก็ได้ตำแหน่งสูงคนที่ไม่เก่งก็ได้ตำแหน่งต่ำ mm. ก็ทำให้เวลาได้ตำแหน่งต่างๆก็มีความสุขเพราะนอกจากตำแหน่งแล้วมันมีอำนาจติดตามมาด้วยมีผลประโยชน์ติดตามมาด้วยนั่นเองถ้าได้ตำแหน่งเฉยๆแล้วไม่มีอำนาจไม่มีผลประโยชน์ ก็ไม่มีใครอยากจะได้กัน่ถ้าได้ไปถ้าได้สอสอแล้วก็ไม่มีอำนาจไม่มีตำแหน่งเหมือนกับคนธรรมดาก็ไม่รู้จะไปเป็นสอสอทําไมกันไปเป็นสอสว่ามันจะได้ทมันจะได้ผลประโยชน์เงินทองมหาศาหอาจจะมาโดยง่ายไดย้กว่าตอนที่ไม่ได้เป็นสอสอ พอเป็นสสต่อไปก็จะได้เป็นรัฐมนตรีพอเป็นรัฐมนตรีทีนี้ผลประโยชน์มันก็จะเข้ามานะใครต้องการให้รัฐมนตรีทําอะไรก็ต้องมีผลตอบแทนคนเราจึงอยากได้ยศกันอยากได้ตําแหน่งกันได้ตําแหน่งแล้วคนต้องเคารพนับถือยกย่องสรรเสริญ พ, พี่น้องพี่น้อง เอาอกเอาใจเป็นความสุขของใจเวลาที่ได้ตำแหน่งเวลาที่ได้เงินทองก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งเงินทองก็ไปซื้อสิ่งต่างๆได้เหมือนกันแต่อาจจะซื้อบางสิ่งบางอย่างที่ตำแหน่งได้มาไม่ได้ตำแหน่งได้อำนาจได้บริษัทบริวารเงินทองนี้อาจจะไม่มีบริษัทบริวาร มีก็อาจจะน้อยไม่เหมือนอตำแหน่งมียศนี่ยิ่งยศสูงเท่าไหร่ยิ่งมีบริสัตว์บริวารมากก็เลยชอบหาสิ่งเหล่านี้กันหาลาบหายศหาสรรเสริญสรรเสริญก็คือรางวัลต่างๆนี่เวลาที่เขาแจากรางวัลตกตาทองกันฮะแจกลูกโลกทองคำจาจกเหรียญโอลิมปิก เหลีทองเหรียญเงินเหรียอะไรอันนี้ก็เป็นสรรเสริญยกย่องยินดีกับความสามารถที่ที่ตนมีอยูอ่พอได้แล้วก็มีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงก็มีคนชื่นชมยินดีมีคนนักคนชอบอมีคนสนับสนุนให้ข้าวของเงินทองกันมันเป็นความสุข พอมีข้าวของเงินทองมีอำนาจก็มีสิทธิ์ที่จะไปหารูปเสียงกิริย์ลดต่างๆที่ต้องการได้รูปเสียงกิริยลดต่างๆมันมีแบบไม่มีค่าไม่มีราคากับแบบที่มีค่ามีราคาแบบที่ไม่มีค่าไม่มีราคามันไม่มันไม่สนุกไม่สุขเหมือนกับแบบที่ต้องเสียเงิน รูปที่เราเห็นเนี่ยในป่าในเขานี่ไม่ต้องเสียเงินดูแล้วมันไม่ชื่นใจเหมือนกับไปดูรูปในโรงภา พ, พยนตร์ดูรูปภาพในโรงภา พ, พยนตร์หรือดูรูปภาพในหนังสือในอะไรต่างๆของที่ต้องเสียเงินมันรู้สึกจใจเรามีความสุขของที่ไม่เสียเงินมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ความสุขเราเลยจาเป็นที่จะต้องมีเงินทอง เพื่อที่เราจะได้ไปซื้อรูปเสียงกิ่นรดต่างๆเช่นเราเบื่อรูปเสียงกิ่นรดในเมืองไทยเราก็ไปเปลี่ยนรูปเสียงกิ่นรดไปที่เมืองนอกไปเมืองนอกมันก็มีรูปเสียงกลิ่นรดเหมือนกันแต่มันแปลกหูแปลกตาพอเห็นใหม่ๆมันก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจรู้สึกพเพลิดเพลินมีความสุขแต่ถ้าให้อยู่ไปสักพักเดี๋ยวมันก็เบื่อ พอมันเห็นบ่อยๆเขามันก็ชินชาะคนต่างประเทศเขาเบื่อของเขาเขาก็มาดูของเราพอเขามาบ้านเรารู้สึกเขาตื่นเต้นตื่นตื่นใจไปกับภาพรูปเสียงกลิ่นรสของเมืองไทยะไปดูวัดดูอะไรนี่เขาดูแล้วตื่นเต้นตื่นใจเราเห็นทุกวันเห็นแล้วมันจนเบื่อเห็นแล้วไม่ตื่นเต้นตื่นใจเราต้องไปเห็นของเขาเออ เขาต้องมาเห็นของเราเออนี่คือความสุขที่พวกเราหากันในโลกนี้หาหาลาภยศจัดลเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ปัญหาของผูสิ่งเหล่านี้ก็คือพอเวลาได้มันมาแล้วมันสุขเดียวๆดีใจเดียวๆออแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกไม่รู้สึก ดีใจเหมือนตอนได้มาใหม่ๆสังเกตไหมเวลาแต่งงานใหม่ๆนี่โอ้โหเหมือนกันได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงสุดเนี่ยพอแต่งกันไปไม่กี่วันกี่เดือนความรู้สึกนั้นไม่รู้หายไปไหนนะเริ่มเกิดความชินชาเรื่นเกิดความเฉยเฉยแล้วนานเข้านานเข้าก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาได้นี่คือปัญหาของความสุขต่างๆที่เราหากันในโลกนี้ะ หามาแล้วเดี๋ยวมันหายไปมันมันสิ่งที่เคยให้ความสุขอยู่ไปนานๆมันกลับเริ่มให้ความทุกข์กับเราอสิในงานใหม่ๆนี่หวานเหมือนกับน้ำพึ่งประจันทร์พนอะอยู่ไปนานเข้าให้ทำไมมันเริ่มเปรี้ยวเริ่มขมขึ้นมาแลนะเหมือนอาหารอาหารพอมันเก่ามันก็บูดกินไม่ได้นะนี่คือลักษณะ ของความสุขต่างๆที่พวกเราหากันในโลกนี้มันเลยทําให้พวกเราต้องทุกข์กันเอเพราะว่ามันเปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นความสุขที่ที่เสมอต้นเสมอปลายมันถ้ามันเสมอต้นเสมอปลายก็ดีสุขกันตั้งแต่วันแต่งงานแล้วก็สุขกันไปแบบนั้นจนวันตายได้ก็ดีก็จะไม่มีปัญหา จะอยู่กันไปจนวันตายตามที่ได้สัญญากันไว้แต่ความสุขมันไม่ได้อยู่ใชมันถึงมันถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะความสุขที่ได้จากกันตอนต้นพอมันหายไปอยู่ด้วยกันมันก็เลยไม่มีความสุขมันก็เลยไม่อยากอยู่ด้วยกันมันก็เลยต้องแยกทางกันเบื่อนาย แล้วก็เลยพอแยกทางก็เกิดความเสียใจกันเกิดความทุกข์ใจกันนี่คือความทุกข์ใจของพวกเราอยู่ที่การไปหาสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มันไม่จีรังถาวรไม่เสมอต้นเสมอปลายมันดีตอนต้นแต่มันจะเสียตอนปลายาดีใหม่ๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไป กลายเป็นไม่ดีไปในที่สุดพอมันไม่ดีมันก็ทำให้เราทุกข์กันอันนี้คือปัญหาของพวกเราที่พวกเราเจอกันทุกคนก่อนมาในโลกนี้ไม่มีใครไม่เจอกับความทุกข์ต่างๆทั้งที่ของต่างๆก็มีกันมากมายกายกองแต่มีมากมีน้อยมันก็ดีใจกันตอนใหม่ๆ พอได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เบื่อมีอยู่ก็ไม่มีความหมายอะไรต้องหาของใหม่มาเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแต่วันหนึ่งร่างกายมันก็จะไม่อยู่ในสภาพที่จะทําได้เพราะร่างกายมันก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปในที่สุด พอตายไปความสุขทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราหามาได้มันก็จะจากเราไปหมดเราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เรียกว่าไปเกิดใหม่เพราะทั้งๆที่รู้ว่ามันน่าเบื่อแต่มันก็ยังอยากจะกลับมาหามันใหม่เห็นไหม แต่งงานกันอยากกันนะั่นเดี๋ยวก็แต่งใหม่เชื่อไหมมาดูดาราที่ฮอลลีวูดเนี่ยบางคนแต่งเจ็ดดคน 8, 9ดเก้าคนแต่งกันสามเดือนหกเดือนเบื่อเลิกกันแต่งใหมอ่อยู่ได้ปีสองปีเบื่ อ, เ, อเลิกกันแต่งใหมอ่อันนี้แหละคือเรื่องของความอยากมันเป็นอย่างนี้ ความอยากมันไม่หมดไปความอยากมีแฟนนี้มันไม่มีวันหมดเราให้เปลี่ยนแฟนกี่คนก็ตามพอเปลี่ยนคนเก่าพอเลิกกับคนเก่าเดี๋ยวความอยากก็เกิดขึ้นอยากจะได้คนใหม่อีกพอไปได้คนใหม่สักพักเดี๋ยวคนใหม่ก็กลายเป็นคนเก่าอีกก็เลิกกันอีกเลิกกันแล้วก็ไปหาใหม่อีกแต่ความอยากไม่มีวันหมดไม่ว่าจะหามาได้กี่คนไม่ว่าจะ เลิกกันกี่ครั้งมันก็จะยังมีความอยากได้อยู่เรื่อยๆความอยากตัวนี้แหละที่ทำให้เราวุ่นวายใจกันทุกกันเพราะเวลาที่อยากได้อะไรแล้วมันไม่ได้นี่มันทำให้เรารู้สึกหุดกิิรลาคาญใจไม่สบายใจไม่สุขใจเหมือนกับเวลาอยากได้อะไรแล้วได้ดังใจอยากอยากซื้ออะไรพอได้ซื้อมาแล้วโอ้ดีใจ ถ้าอยากซื้อแล้วไปรูดบัตรเขาบอกว่าบัตรไม่มีเงินแล <c oughs> <social> ้วออก็เลยไม่ได้ของมาก็เลยไม่สบายใจไม่เสียไม่พอใจเนี <c> ่ย <oughs> นี่แหละคือความทุกข์ใจของพวกเราทุกจากความอยากต่างๆอยากกับสิ่งที่ไม่มีหรืออยากกับสิ่งที่มีสิ่งที่มีก็อยากจะให้มันไม่มีเพราะสิ่งที่มีบางทีเราไม่ชอบมันเสร็จแล้ว แต่ยังต้องอยู่กับมันถ้าอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบมันก็ไม่มีความสุขอีกแล้วพอไม่เจออยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปแต่ถ้ามันไม่หายก็ต้องทนอยู่กับมันก็เลยอยู่แบบไม่สุขกันบางทีต้องอยู่ด้วยกันแต่ไม่ชอบกันเสียแล้วก็เลยทุกข์กันไปอยู่ด้วยความทุกข์กัน นี่คือเรื่องของความทุกข์ใจวิธีที่จะแก้ความทุกข์ใจนี้พระพุทธเจ้าสอนให้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่ดีกว่าหาความสุขที่เสมอต้นเสมอปลายหาความสุขที่จะไม่เปลี่ยนจะไม่หมดจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบการทำใจให้สงบนี้ จะทำให้เราได้พบกับความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราเคยหากันในโลกนี้เพราะเป็นความสุขที่มันซื่อสัตย์กับเรามันไม่เปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เราต้องการมันมันก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าเรารู้จักวิธีเข้าหามันแล้วเราสามารถเข้าไปหามันได้ทุกครั้งไม่มีอะไรสามารถมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นได้ ไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ยังสามารถเข้าถึงความสุขันนี้ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เกิดจากการฝึกสตินี้เองถ้าเราฝึกสติจนมีสติแล้วเราก็สามารถใช้สตินี้พาเราเข้าหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้แล้วเราก็สามารถอยู่กับมันไปได้เรื่อย ทุกครั้งเวลาที่เร า, าเราอยู่ห่างมันพอเราต้องการกลับเข้าไปหามันเราก็กลับเข้าไปหามันได้อันนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะไม่ทำให้เราทุกข์เพราะถ้าเราทุกข์เราก็เพียงแต่กลับเข้าไปหาความสงบความทุกข์มันก็จะหายไปแล้วถ้าเราปฏิบัติได้อีกขั้นหนึ่ง คือขั้นปัญญาถ้าเรามีปัญญาสอนใจเราจะสามารถารักษาความสงบที่เราได้รักษาความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ให้อยู่กับเราไปตลอดเลยเถ้ามีเพียงแต่สตินิ่มมันยังเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวอยู่ต้องเข้าสมาธิถึงจะมีความสุขแต่พอออกจากสมาธิมา ความอยากต่างๆนี้ยังไม่ได้รับการกําจัดความอยากนี้ก็จะกลับมาสร้างความทุกข์ให้กับเราใหม่ล้มแล้วก็ทําให้ความสุขที่เราได้จากความสงบนั้นหายไปถ้าเรามีปัญญาเราก็ใช้ปัญญามากําจัดความอยากต่างๆพอความอยากถูกกําจัดไปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหายไป พอไม่มีความทุกข์ความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบมันก็จะกลับมาโดยอัตโนมัติสาเหตุที่ความสงบมันกลับมาไม่ได้ก็เพราะความอยากต่างๆของเรานี่เองที่คอยกันมันไว้ไม่ให้มันเข้ามาไม่ให้เข้ามาในใจเราพอเราเกิดความอยากใจเราจะกงวลกวังวยกระสับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับ ต้องคอยรุ้นอยู่นั่นนนั้ต้องคอยดูอยู่นั่นดูคนที่แทงหวยวะันนะี้หวยออกกนะ็ไม่มีกระจิตกระจายทำงานทำการมีแต่นั่งคอยดูว่าจะออกเลขอะไรจะถูกหรือไม่อ่ามันเลยทำให้ความสงบหายไปแต่ état, ถ้าเราไม่ได้ซื้อหวยเราก็จะไม่มีความกังวลกาวยไม่มีกระสับกระส่าย เพราะเราไม่มีความอยากที่จะถูกหวยเรารู้ว่าความอยากที่ถูกหวยนี่มัน เ, เป็นอันตรายเป็นภัยต่อจิตใจเป็นภัยต่อความสุขที่เกิดจากความสงบเราคอยพยายามกำจัดความอยากต่างๆดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะกำจัดความอยากต่างๆได้เราต้องมีความสุขที่เกิดจากความสงบก่อน ถ้าเราไม่มีเราไม่รู้ว่าจะกาจัดมันแล้วเราจะได้อะไรเป็นผลตอบแทนนั่นเองสู้ทำตามความอยากดีกว่าถึงแม้ว่าจะวุ่นกวายก็สับกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอได้มาแล้วจะดีใจแต่ถึงแม้ว่าจะดีใจไม่นานก็ยังดีกว่าไม่มีความดีใจไม่มีความสุขใจเลยพอดีใจแล้วเราก็ลืมลืมคิดไปว่าต่อไปมันจะทาให้เราเสียใจ เพราะต่อไปมันก็จะจากเราไป ก, ก็ได้นี่คือปัญญาเราต้องมองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี้มันไม่แน่นอนมันไม่ถาวรมันไม่เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขชั่วประเดียวประดาาได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็มีวันหมดไป เวลามันหมดมันก็ทําให้เราเสียใจไม่สบายใจเอสู้อย่าไปเอามันดีกว่าเอสู้อยู่เฉยๆอยู่กับความสงบดีกว่ากลับไปหาความสงบไปเจริญสติพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่าพอใจสงบเอพอไม่ทําตามความอยากใจก็จะสงบ พอความอยากหายไปใจก็จะเบาจะสบายมีความสุขต่อไปถ้าไม่มีความอยากมาสร้างความวุ่นวายใจใจก็จะสงบไปตลอดเวลาไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้อยู่ข้างนอกก็ไม่มีความวุ่นวายใจเพราะตัวที่สร้างความวุ่นวายใจสร้างความทุกข์ใจนี้ได้ถูกกาจัดไปหมด ถูกกำจัดด้วยวิธีไหนก็คือการไม่ทำตามความอยากนั่นเองอยากไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวฝืนมันไปไม่กี่ครั้งเดี๋ยวมันก็หายไปต่อไปก็จะไม่มีความอยากเที่ยวมาคอยดึงให้เราไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆ เ, เหมือนกับคนที่เลิกสูบบุหรี่เวลาอยากจะเลิกสูบบุหรี่ทุกครั้งที่อยากสูบก็ต้องอยากไปสูบมัน พอไม่สูบมันไปไม่กี่ครั้งความอยากสูบมันก็จะหายไปทุกอย่างเป็นอย่างนี้ความอยากทุกอย่างเป็นอย่างนี้อยากดื่มกาแฟาอยากจะเลิกกาแฟาก็อย่าไปดื่มกาแฟาทุกครั้งที่อยากดื่มกาแฟาก็ดื่มน้ำเปล่าไปดื่มน้ำเปล่าเสร็จก็ไปนั่งสมาธิแทนเอาความสุขที่ได้จากสมาธิดีกว่าความสุขที่ได้จากการดื่มกาแฟา แล้วต่อไปความอยากดื่มกาแฟก็หายไปแล้วความทุกข์ความไม่สบายใจความหงุดหงิดลำคาญใจที่เกิดจากการดื่มการอยากดื่มกาแฟก็จะหายไปทุกอย่างเป็นอย่างนี้ความอยากทุกชนิดนี้เราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่ามันไม่ดีตรงที่ว่ามันทำให้เราติดและมันเป็นความสุขเดียวเดียว พอมันหมดเราก็ต้องคอยหาใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วเวลาใดที่เราไม่สามารถหาได้มันก็จะทำให้เราทุกข์หรือเวลาหามาได้แล้วมันหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์เพราะมันจะทำให้เราอยากใหม่ต้องหาใหม่อีก น, นี่คือวิธีแก้ความทุกข์ใจต้องแก้ด้วยการฝืนความอยากไม่ทำตามความอยาก วิธีที่จะฝืนความอยากได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญานี่เองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาฝึกสติมาฝึกสมาธิมาฝึกปัญญากันเพื่อที่เราจะได้มีเครื่องมือไว้ต่อสู้กับความอยากต่างๆถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญานี่เวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราจะสู้มันไม่ไหว เราจะต้องทำตามที่มันสั่งเสมอถึงแม้จะทำไม่ได้ก็ต้องทำทำแล้วไม่ได้ถึงแม้จะเสียใจก็ยังต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำมันยิ่งทรมานใจมันก็ทำไปจนกว่ามันจะยอมรับความจริงว่าไม่ได้แล้วนั่นมันถึงจะหยุดทำแต่พอมันรู้ว่าจะได้ปับ๊บมันก็จะพยายามทำใหม่ขึ้นมาทันที เพราะว่าใจของเรานี้มันต้องมีอะไรมาคอยให้ความสุขอยู่เรื่อยๆนั่นเองใจมันหิวกับความสุขแล้ววิธีที่หาความสุขที่ใจรู้จักก็คือวิธีหาความสุขตามความอยากนี่เองตามความอยากสามประการความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นอยากได้ตำแหน่งอยากเป็นใหญ่เป็นโต ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือความอยากไม่ยากจนความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความอยากไม่ตายเมันจะทําให้เราต้องดิ้นรนต่อต่อสู้ขวนขวายกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ทําให้เราเนหน็ดเหนื่อยทุกข์กันบางทีก็ผิดหวังทำก็ไม่ได้ได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียว แล้วเดี๋ยวก็อยากได้ใหม่ขึ้นมาอีกสรุปแล้วทำตามความอยากไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้เหมือนก็กลายเป็นความทุกข์ต่อไปนี่คือปัญญาที่เราต้องคอยสอนใจให้รู้ว่าอยากไปทำอะไรตามความอยากเลยสู้มาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาเพื่อหยุดความอยากกันดีกว่า ใจที่ไม่มีความอยากแล้วเป็นใจที่ไม่มีความทุกข์นั่นเองใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกนี้ท่านไม่มีความทุกข์เลยที่ไม่มีความทุกข์เพราะท่านกําจัดความอยากให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วนั่นเองท่านไม่มีกามตันหาไม่มีความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะท่านไม่มีภาวะตันหาความอยากเป็นใหญ่เป็นโต ถ้าไม่มีวิภาวะตัณหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายท่านทําใจเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างได้การทําใจให้เฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละเป็นวิธีทําให้ใจมีความสุขนี่คือความสาคัญของการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติสติสมาธิปัญญา นี่นะเป็นอาวุธสำคัญเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะทำให้ใจเราเฉยใจเราอิ่มใจเราพอใจเราไม่หิวทำให้ใจเราสู้กับความอยากต่างๆได้ถ้ามันยังมีหลงเหลืออยู่ในใจทุกครั้งที่มีความอยากถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาเราจะรู้วิธีที่จะหยุดมันวิธีที่จะไม่ทำให้มันเจริญงอกงาม เราจะรู้จักวิธีที่จะทำให้มันแฝบบทำให้มันหดทำให้มันหายไปก็คือไม่ทำตามมันเท่านั้นเองพอไม่ทำตามมันไปสักพักหนึ่งเนีอยมันก็จะไม่กลับมาอยากอีกต่อไปอคนที่เลิกบุหรี่ได้เนี่ยพอวันหลังเห็นบุหรี่ก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่มีอาการกระสับกระส่ายเกาอุ่นเาย แต่คนที่ยังเลิกไม่ได้นี่เวลาเห็นบุเรนึกถึงบุร่แล้วมือไม้สั่นใจสั่นไปหมดเพราะความอยากอยากสูบบุเร่ น, นี่คือความทุกข์ใจทุกเพราะความอยากต่างกับความทุกข์ทางร่างกายทางร่างกายทุกเพราะขาดแคลนปัจจัยสี่ขาดอาหารกาดเครื่องนุ่หมห่มขาดที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรค ถ้าเรายังมีร่างกายอยู่เราก็ต้องหามันให้มาดูแลแต่การหาปัจจัยสี่ของร่างกายนี้เราสามารถหาแบบสบายสบายได้เพราะร่างกายปัจจัยสีของร่างกายมันไม่จำเป็นจะต้องหรูหราไม่จำเป็นจะต้องมีราคาแพงๆมันขอให้ใช้งานได้ก็พอเช่นอาหารก็ไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารในพัตคา กินในตามโรงแรมกินกินข้างถนนมันก็อิ่มเหมือนกันเสื้อผ้าก็ไม่ต้องไปซื้อในร้านหรูหราะเสื้อผ้าราคาแพงแพงกับเสื้อผ้าที่ตลาดนัดมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักความจริงแล้วเราจะไม่ต้องมาวุ่นวายกับการอาดูแลร่างกายมากจนเกินไป เราเราจะได้มีเวลามาดูแลจิตใจของเราเอาเวลามาฝึกสติสมาธิปัญญาดีกว่าเอาเวลาไปหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อปัจจัยสี่ราคาแพงๆให้กับร่างกายมันก็อยู่ได้เหมือนกันแล้วมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันอยู่บ้านราคาสิบล้านเช่าบ้านเดือนละสองพันมันก็อยู่ได้เหมือนกันซื้อเสื้อผ้าชุดละหมื่น ซื้อเสื้ผ้าชุดละพันหรือละห้าร้อยมันก็ใส่ได้เหมือนกันงั้นอย่าไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อของแพงๆใช้เลยเอาเวลาที่ไปหาเงินทองนี้มาฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาจะดีกว่าเพราะว่าการหาเงินหาทองนี้มันก็จะทำให้เราอยากหามากขึ้นไปเรื่อยๆ บางทีเราหาได้พอกับความต้องการของร่างกายแล้วแต่ความอยากมันจะไม่หยุดเหมือนอยากจะได้เพิ่มอีกได้แสนมันก็อยากจะได้ล้านได้ล้านมันก็อยากจะได้สิบล้านขึ้นไปแล้วมันก็จะทำให้เราต้องไปดินน้นรนไปต่อสู้ไปเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองแล้วบางทีก็อาจจะทำให้เราไม่สบายใจ บางทีต้องลงทุนต้องเสี่ยงกับการลงทุนต้องเสี่ยงกับการสูญเสียเสี่ยงกับการขาดทุนเดยทำให้สภาพจิตใจนี้ไม่ดีบางทีก็มีเป็นโรคโรคประสาทไปนี่แหละเพราะว่าไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาแทนที่จะไปแก้ปัญหากลับไปสร้างปัญหาให้แก่จิตใจ สร้างความเครียดสร้างความวิตกกังวลสร้างความหวาดกลัวอะไรต่างๆให้กับจิตใจเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ใจมีความสุขอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ใจมีความทุกข์กันนี่คือสิ่งที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนา คนที่ไม่ได้เข้าวัดนี้เขาจะไม่ค่อยรู้จักวิธีที่จะอยู่อย่างมีความสุขใจก็าอาจจะมีความสุขทางร่างกายมีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากมายแต่ใจของเขานี้แทบจะหาความสุขไม่ได้เลยในแต่ละวันเพราะจะถูกความอยากได้สิ่งนู่นอยากมีสิ่งนี้มาคอยลุ่มเล่าจิตใจให้ตลอดเวลา แต่เขาก็คิดว่านี่คือความสุขของเขาเขาคิดเวลาเขาอยากได้อะไรแล้วเขาได้มาเขาดีใจเขามีความสุขใจแต่ที่เวลาที่เขาเครียดเขาไม่คิดถึงมันว่ามันก็เกิดจากความอยากของเขาเหมือนกันนี่คือเรื่องที่พวกเราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ในไม่ในมา พบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติต่อความทุกข์ของร่างกายและต่อความทุกข์ของจิตใจความทุกข์ของร่างกายเราก็หามาแบบพอเพียงพอกับความต้องการของร่างกายก็พออย่าไปหลงไหลกับความสวยงามความหรูหรากับการมีราคาแพงๆของปัจจัยสี่ อาหารราคาแพงๆกับอาหารราคาไม่แพงมันก็เป็นอาหารเหมือนกันทำหน้าที่ได้เหมือนกัน เ, ออเสื้อผ้าราคาแพงๆกับเสื้อผ้าราคาไม่แพงมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันบ้านราคาแพงๆกับบ้านราคาไม่แพงมันก็เป็นบ้านเหมือนกันออขอให้เราหาแบบสบายๆใจดีกว่าหาตามกําลังของเราเรา เราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลามากกับการแก้ปัญหาทางร่างกายเพราะการไปแก้ปัญหาทางร่างกายแบบเกินขอบเขตนี้มันจะทำให้เป็นการสร้างปัญหาให้กับจิตใจเพราะจะทำให้ใจเครียดกับการที่จะต้องหาเงินหาทองมาซื้อของแพงๆใช้กันหาเงินหาทองเพื่อที่จะไปซื้อความสุขปลอมกัน หางเงินหาทองเพื่อจะไปเที่ยวกันไปได้ความสุขชั่วประเดียวปดาวไปเที่ยวเสร็จกลับมาความสุขที่ได้นั้นก็หายไปหมดเดี๋ยวก็ต้องจองตั๋วไปใหม่อีกต้องคอยไปอยู่เรื่อยๆไม่ว่าไปสักกี่ครั้งกลับมาความสุขที่ได้ไปจากการไปเที่ยวก็หายไปหมดอันนี้ไม่ใช่วิธีหาความสุขที่ถูกต้องวิธีหาความสุขที่ถูกต้องหลังจากที่เรา สามารถเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขแล้วเราควรจะเอาเวลามาหาความสุขทางใจกันวิธีหาความสุขข้างใจก็ต้องหาธรรมะต้องมีธรรมะต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาและการที่จะเข้าถึงสติสมาธิปัญญาได้ก็ต้องมีศีลต้องมีศีล เพราะศีลจะเป็นตัวเบิกทางให้เราเข้าถึงสติถึงสมาธิถึงปัญญาได้เพราะการจะเข้าถึงสติสมาธิปัญญานี้เราจะต้องมีเวลาว่างนั่นเองถ้าเราไม่มีเวลาว่างเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงได้การที่เราถือศีลแปดนี้ก็เพื่อที่จะกําจัดเวลาที่เราสูญเสียไปจากการไปหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมกูกลิ้นกายนี่เอง เราต้องระ ง, งับการไปหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วมาหาความสุขจากการปฏิบัติสติสมาธิปัญญาอันนี้คือต้องต้องมีศีลต้องสามารถหยุดการหาความสุขทางร่างกายได้ ต้องหยุดร่วมหลับนอนกับแฟนหยุดรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหยุดจากการไปเที่ยวเตะตามสถานบันเทิงต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหยุดแต่งเนื้อแต่งตัวสามสวยความงามแล้วเราจะได้มีเวลาไปอยู่ที่เขามีสติสมาธิปัญญากันก็คือไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมกัน ไปฝึกถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีฝึกสติสมาธิปัญญาเราก็ต้องไปไปตามสถานที่ที่เขาสอนที่เขาฝึกเป็นเหมือนโรงเรียนโรงเรียนสมัยก่อนถ้าเราอยากจะเต้นลําเราเต้นไม่เป็นเราก็ไปเรียนเต้นลํากันถ้าเราอยากจะขับรถขับรถไม่เป็นเราก็ต้องไปเรียนขับรถกัน ถ้าเราอยากจะเล่นดนตีเราเล่นไม่เป็นเราก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนที่สอนเล่นโดนตีฉันใดวัดก็เป็นเหมือนโรงเรียนที่สอนให้เราฝึกสติสมาธิและปัญญานั่นเองเราต้องหาเวลาไปไปปฏิบัติธรรมให้ได้การที่จะมีเวลาก็ต้องการก็ต้องถือศีลแปดนี่พ อ, อถือศีลแปดเราก็จะได้ไม่ไปมี ไม่ต้องไปยุ่งวายไปยุ่งกับการกระทำผิดศีลต่างๆถ้าเราทำผิดศีลแทนที่จะไปมีเวลาอาจจะต้องไปขึ้นคุกขึ้นขึ้นลงศาลไปติดคุกติดตารางถ้าไปทำผิดกฎหมายหึ่งถ้าไม่ผิดกฎหมายก็เอาเวลาไปเที่ยวตามที่ท่องเที่ยวต่างๆไปตามสถานบันเทิงต่างๆ มันก็จะทำให้เราไม่มีเวลาไปไปเรียนวิธีปฏิบัติธรรมกันถ้าเราถือสิ่งแปดได้เราก็จะมีมีเวลาทันทีเพราะเวลาต่างๆที่เอาไปใช้กับความสุขทางการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะถูกกำจัดไปหมดให้เราก็เลยมีเวลาว่างเราก็จะไป เรียนที่วัดได้ไปอยู่วัดได้ไปถือศีลแปดได้พอไปอยู่วัดเราก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมเรียนรู้วิธีสร้างสติวิธีสร้างสมาธิวิธีสร้างปัญญาแล้วพอเรารู้แล้วเราก็เอามาฝึกกันเพราะเพียงแต่เรียนเฉยๆนี่มันยังยังยังไม่ได้เป็นผลเหมือนเรียนวิธีเล่นดนตรีพอรู้ว่าเล่นดนตรีเล่นยังไงเราก็ต้องมาฝึกก่อน ไม่ใช่พอรู้ปั๊บแล้วเราก็จะเล่นได้แบบคนที่เขาชำนาญแล้วเพราะเรามันต้องมีการฝึกฝนเพราะของใหม่เราไม่ชำนาญเวลาเล่นอะไรใหม่ๆมันก็เล่นถูกๆผิดๆไปก่อนแต่พอฝึกไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็จะชำนาญเพราะเราจะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรที่ผิดเราก็ไม่ทำมันอะไรที่ถูกเราก็พยายามทำให้มันมากขึ้น การฝึกสติสมาธิปัญญาก็แบบเดียวกันใหม่ๆเราก็ไม่เข้าใจว่าสติเป็นยังไงทำไมต้องพุทโธพุทโธ ท, ทำไมต้องดูลมหายใจทำไมต้องดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นผลว่าออเวลาเรามีสตินี้เราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเราเบาขึ้นใจเราสบายขึ้น เคยเครียดกับเรื่องนั้นเคยเครียดกับคนนี้พอมาท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจสักพักหนึ่งลืมเรื่องคนที่ทําให้เราเครียดลืมเรื่องที่ทําให้เราเครียดได้เราก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของการบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็อยากจะคอยบริกรรมอยู่เรื่อยๆเวลาที่เรามีความเครียดมีความทุกข์มีความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้เราก็พุทโธพุทโธไปะ ต่อไปเราก็อยากจะทําใจให้เราไม่ไปคิดไม่ไม่ไปคิดไปอยากับอะไรเลยเพราะทุกครั้งที่คิดที่อยากมันทําให้ใจเราวุ่นวายมันไม่ได้ทําให้ใจเราสุขเพราฉะนั้นต่อไปเราก็จะพุทโธบ่อยขึ้นนั่งสมาธิบ่อยขึ้นเพราะถ้าเราพุทโธตอนที่ไม่นั่งมันจะไม่สงบเท่ากับตอนที่เรานั่งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งพุทโธได้เราต้องพุทโธตอนที่เรายังไม่นั่งก่อน เพราะถ้ายังไม่มีพุทโธมีกำลังพอเวลานั่งมันจะนั่งไม่ได้มันจะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ถ้าเราฝึกพุทโธไว้ได้ก่อนพอเรามานั่งแล้วเราพุทโธไปเราก็จะลืมความเจ็บูลืมความอึดอัดตรงนั้นลืมความอุดอัดตรงนี้พออยู่กับพุทโธไปไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวใจก็นิ่งเต็มที่เลย พอิ่งเต็มที่แล้วเราจะได้พบกับความสุขเต็มร้อยความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้เหมือนความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงต้องเกิดจากการฝึกสตินี่เองพอมีสติแล้ว เรากสา็สามารถเข้าหาความสุขนี้ได้ทุกครั้งที่เราต้องการพอเวลาเรามีเวลาว่างเราก็ไปเข้าสมาธิกันแทนที่จะไปหาความสุขจากการไปดื่มกาแฟไปสูบบุหรี่ไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราก็ไปนั่งสมาธิกันแล้วต่อไปเราก็สามารถ เ, าเรียนรู้ขั้นต่อไปได้คือขั้นปัญญา เพราะเราจะเห็นว่าเวลาที่เราอยู่ในสมาธิใจเราจะสุขมากแต่พอออกจากสมาธิมาเวลาที่เราเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาพอความอยากเกิดขึ้นความสงบที่เราได้มันก็จะหายไปมันก็จะทำให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาถ้าเราต้องการกําจัดความอยากเหล่านี้เราก็ต้องใช้ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอน คือให้เรามองทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นตายรักษเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรามักจะมองตรงกันข้ามกับความจริงพระพุทธเจ้ามันบอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเรามักจะคิดว่าเป็นนิจจังเราคิดว่าได้อะไรแล้วจะอยู่กับเราไปเรื่อยเรื่เราจะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันจะเป็นทุกขงังเราก็จะไปเห็นว่ามันเป็นสุขขงังคิดว่าได้อะไรมาแล้วจะมีความสุขะ แล้วเราก็จะไปคิดว่ามันเป็นของเราจะอยู่กับเราเราสามารถควบคุมบังคับสั่งให้มันเป็นของเราไปได้ตลอดแต่ความจริงมันถึงเวลาแล้วมันสั่งมันไม่ได้มันจะจากเราไปเมื่อไหร่มันก็จากไปได้มันจะไม่ทําตามที่เราสั่งมันก็ทําได้นี่เราต้องอยากไปมองว่ามันเป็นนิจังสุขขังอัตตาถ้ามมองว่ามันเป็นนิจังสุขขังอัตตาก็อยากจะได้กันเลย แต่ไพ่องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะไม่อยากได้แล้วอะไรเป็นความจริงนิจจังสุขขังอัตตาหรืออนิจจังทุกขังอนัตตาเอ่ึกษาได้นี่ของมันเห็นอยู่ชัดชัดอยู่เนี่ยเช่นคนเช่นแฟนอย่างนี้เป็นนิจจังสุขขังอัตตาหรือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอสอาหรับบางคนอาจจะเป็นนิจจังสุขขังอัตตา แต่อาจจะกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้เอบางคนก็เป <mon> <mel> <mo> ็นเร็วบางคนก็เป็นช้าอันนี้จังทุกขังอนัตตามันโพสําหรับบางคนก็ช้าบางคนก็เร็วบางคนแต่งงานกันไม่กี่วันก็กลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วบางคนแต่งงานกันหลายปีก็ยังเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาอยู่น แต่ดูไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่นจะให้มองอย่างนี้แล้วมันจะทําให้ความอยากหายไปไม่เอาดีกว่าสู้เอานิจจังสุขขังอัตตาที่เรามั่นใจดีกว่าก็คือสมาธิความสุขที่ได้จากความสงบดีกว่าทุกครั้งที่ต้องการมันก็นั่งหลับตาพุทโธพุทโธเดี๋ยวเดียวมันก็เข้าไปละอันนี้คือการใช้ปัญญา ที่จะทำให้เราต่อไปนี้จะไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากแล้วใจเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจเราจะสงบไปตลอดมีความสุขไปตลอดนี่คือเรื่องของวิธีแก้ปัญหาทางใจต้องแก้ด้วยสติสมาธิปัญญาต้องแก้ด้วยศีล ว, วิธีแก้ปัญหาของร่างกายก็ต้องแก้ด้ดยปัจจัยสี่ คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยถ้ามีปัจจัยสี่แล้วแก้ไม่ได้ก็เถอว่าเป็นสุดวิสัยมีมีปัจจัยสี่แล้วก็ยังทำให้น่างกายอยู่ต่อไปไม่ได้ก็เถอว่าสุดวิสัยแสดงว่าร่างกายมันจะต้องตายไปตามธรรมชาติของมัน ก็ต้องยอมมันอย่าไปฝืนฝืนก็ช่วยก็ฝืนก็ทำอะไรไม่ได้สู้ยังไงมันก็ตายอยู่ดีตายช้าตายเร็วตายยากตายง่ายตายแบบทรมานหรือไม่ทรมานเท่านั้นเองถ้าตายแบบไม่ทรมานก็ปล่อยมันตายไปเมื่อมันจะอยู่ไม่ได้นะถ้าจะตายให้มันตายยากตายแบบทรมานก็ให้หมอช่วยตัดต้ง อ่าใส่สายยางสายอะไรเข้าไปใส่เครื่องช่วยหายใจอะไรไปอแต่มันก็อยู่แบบเป็นหุ่นยนต์นอนอยู่บนเตียงไปก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีช่วยปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันดีกว่าไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายการที่ปล่อย มันเมื่อรักษาไม่ได้ก็ให้มันเมื่อมันไม่กินก็ไม่ต้องให้มันกินเมื่อมันกินไม่ได้ก็ไม่ต้องให้มันกินเมื่อมันดื่มไม่ได้ก็ไม่ต้องให้มันดื่มเมื่อมันหายใจไม่ได้ก็ไม่ต้องให้มันหายใจปล่อยมันไปตามธรรมชาติมันจะได้ไม่ต้องทรมานใจไม่ได้ตายกับร่างกายแต่ต้องทรมานกับความความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไปนี่คือเรื่องของการแก้ความทุกข์ ในสูงในสิ่งที่เรามีอยู่สองสิ่งคือร่างกายและจิตใจร่างกายก็แก้ด้วยปัจจัยสี่จิตใจต้องแก้ด้วยธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาความทุกข์ทางจิตใจก็จะได้รับการดูแลใจของเราก็จะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไป จึงขอให้ท่านจงนำาเมาเรื่องที่ได้ยินในวันนี้ไปพิิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาฮาปุราปริปุเรนเตสากะลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิช an ิตังปฏิตังต um ุมหังคิปเมวะสมชชะโตสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปันาราโสยธามณีโชติอาราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายสุขิทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิลิตสานิจจังวุธาปะจายโนจตาร วันนี้เข้ามาเท่าไรวันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาสามร้อยหกสิบห้ายูท b บสองร้อยสี่สิบแปด วิทยุออนไลน์ยี่สิบห้ารับฟังข้างบนนี้ห้าสิบเก้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยเก้าสิบเจ็ดครับมีคำถามนะเช่นครับกับพ่อแม่ครูอาจารย์ครับขอโอกาสถามพูดใกลนะ้ๆเลยครับขออนุญาตถามคำถามสัก3ามสี่คำถามครับคำถามแรกนะครับอยากถามว่าเวลาที่จิต ถึงฌานล้วก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยครับกับสภาวะที่จิตพ้นความปรุงแต่งหรือว่าแบบไปสัมผัสพันิพาณอย่างนี้ครับอยากทราบว่าสองสภาวะนี้เหมือนกันหรือแตกต่างยังไงและจิตเขารู้ได้ยังไงครับอันนี้คำถามแรกเพต้องรู้เสร็จถ้ามันคุณถามนี้คุณก็ต้องรู้ว่ามันแตกต่างกันแล้วสภาวะที่เราต้องการจากสมาธิก็จิตนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งเป็นอุเบกขา มีความเบามีความสุขถ้ายังไม่ถึงสภาวะนั้นก็ควรจะภาวนาต่อไปถ้าายนั่งไปแล้วมีแสงสว่างเกิดขึ้นแต่ยังไม่นิ่งไม่สงบก็ยังต้องภาวนาต่อไปจนกว่ามันจะสงบนิ่งแล้วเบา อ, อกเบาใจไม่คิดไม่ปรุงแต่งไม่ต้องทำอะไรครับคำถามที่สองครับจิตที่ลัก จิตที่ละสักยะที่ทิตแล้วจะสังเกตได้ยังไงครับว่าละไปแล้วครับก็ ال ال ละร่างกายมองร่างกายของเราเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ถือว่าร่างกายที่เรามีอยู่นี้เป็นของเราเสียแล้วเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเวลาเราเห็นร่างกายคนอื่นเขาเป็นอะไรเราตื่นเต้นตกใจไปกับเขา่ะก็ต้องเห็นร่างกายที่เรามีอยู่นี้เป็นอย่างนั้น เวลามันเป็นอะไรก็ไม่ตื่นเต้นตกใจเฉยๆเวลามันเจ็บก็เฉยๆเวลามันจะตายก็เฉยๆเวลามันแก่ก็เฉยๆเพราะมันไม่ได้เป็นเราแล้วนี่ตอนเจ็บก็เฉยๆแต่ว่าก็เจ็บเฉยๆอย่างเงี้ยก็รู้ว่ามันเจ็บเท่านั้นเองแต่จิตไม่ดิ้นลนอย่างเงี้ยก็ไม่ดิ้นลนไม่ทุกข์แต่ถ้าแก้ความเจ็บได้ก็แก้ไปตามตามสภาพถ้ามียาใส่ก็ใส่ถ้า เดนเหยียบน้าก็บ่งมันออกได้ก็บ่งออกไปแต่ไม่ได้ไปวุ่นวายกับการรักษาว่ารักษาได้หรือไม่รักษาได้รักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปถ้ารักษาได้ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่แต่ก็ดีกว่าอยู่กับมันเพราะอยู่แล้วมันน่าลำคาญกว่ามันกับมั น, มนไม่อยู่กับมันแต่ใจไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่กินไม่ได้นอนไม่หลับกับมัน อ, อีกคำถามนึงนะครับพูดใกล้ๆปากเลยครับเดี๋ยวผมนึกก่อนครับลื ม, <c oughs> มคนที่คนที่เขาเได้ถึงโซดาหรือว่าถึงสกิทาคาเนี่ยครับ <c oughs> เขาจะรู้ด้วยตนเองไหมแล้วก็จำเป็นที่จะต้องรู้หรือเปล่าครับ <c oughs> เพื่อจะได้เดินทางต่อไป คือเขาไม่รู้ชื่อหร้วว่าเป็นโซดาและเป็นสกิดาคาแต่เขารู้ว่าปัญหาที่ก็าเคยมีมันหมดไปปัญหาที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของร่างกายมันหายไปก็เป็นโซดาไปปัญหาเรื่องเซ็กก็หมดไปถ้าเป็นอนาคามีไปไม่มีกามารมณ์ไม่มีความรู้สึกอยากจะไปร่วมหลับนอนกับใครอยู่คนเดียวก็ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าเว อันนี้มันรู้ของมันเองมันไม่ต้องมีชื่อของพวกนี้มันไม่มีชื่อเพียงแต่ว่าเวลาเราคุยกันเราก็ต้องตั้งชื่อมันขึ้นมาท่านเองจะได้รู้ว่าคุยเรื่องเดียวกันหรือเปล่าครับแล้วก็อี ก, อ ก, อ ก, อกคำถามสุดท้ายนะครับการการเดินทาง เ, เพื่อประพฤติพุทธมรรจารย์แล้วก็การปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในแต่ในแต่ละสี่ขั้นตอนนะครับในการละสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยกามและปฏิฆะเนี่ยเราดูไตลักษณ์อย่างเดียวหรือว่าเราดูอสุภะด้วยครับเพิ่มขึ้นมาหรือว่าคื อ, อแต่ละขั้นมันก็มีปัญหาของมันไงมันเป็นโจทย์ไม่เหมือนกันโจทย์ขั้นที่หนึ่งมันก็อยู่ที่ร่างกายเรื่องความเจ็บความตายโจทย์ขั้นที่สองก็ขั้นที่สองที่ขั้นที่สามก็เรื่องของของกามาราคะ ความอยากเสพกามอยากร่วมหลับนอนกับผู้อื่นก็ต้องแก้โจท์นั้นด้ว ย, ด, วยด้วยเครื่องมือร่างกายก็ต้องแก้ด้วยไตยลั้เรื่องความแก่เจ็บตายก็ต้องแก้โดยไตรั้มันไม่เที่ยงร่างกายมันต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเป็นดินน้ำลมไฟต้องเห็นอย่างนี้ จำหรับขั้นร่างกายขั้นโสดาขั้นสกิดากับขั้นอนาคาก็ต้องดูอสุภะเพื่อจะได้ลดความอยากร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนั่งมองเห็นความไม่สวยงามของร่างกายของผู้อื่นแทนที่จะไปเห็นความสวยงามต้องเห็นความไม่สวยงามก็ต้องนึกถึงภาพตอนที่เขาไม่สวยงาม ตอนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยตอนที่เขาไม่ได้เอแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากหรือตอนที่เขาแก่ตอนที่เขาตาเนียหรือมองเข้าไปไภายในข้างในร่างกายของเขาไปดูอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกายไปดูโครงกระดูกของเขาไปดูปอดดูตับดูไตดูลำไส้ ดูอุจจรปัสสวะอะไรต่างๆเหล่านีา้การอารมณ์มันก็จะหายไปหมดาบางทีผมดูอสุภะแล้วแบบเหมือนนอนกอดกับศพทั้งคืนเลยครับบางทีจิตมันก็เศร้าไปวันก็ต้องต้องดูเรื่ อ, ๆอยๆไงถ้าเศร้าก็แสดงว่าสมาธิยังมีกำลังไม่พ อ, อกิเลสยังมีแรงมาสร้างความเศร้าให้กับเราอยู่ เป็ผู้ที่จะพิจารณาปัญญานี้จะต้องมีสมาธิที่สามารถคุมอารมณ์ต่างๆได้คุมอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์หวาดกลัวได้ไม่งั้นพิจารณาความตายไม่ได้เังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นปัญญาได้ต้องมีสมาธิระดับอัปปนาก่อนแล้วต้องเป็นอัปปนาแบบทั้งวันทั้งคืนคืออยู่ข้างในสมาธิหรือออกมานอกสมาธิก็ยังสงบอยู่ ก็จะคอยรักษาสมาธิตลอดเวลาถ้าออกมาไม่สงบก็กลับเข้าไปใหม่พ อ, พอออกมาใหม่ๆมันก็สงบพอนานเข้านานเข้ามันจะไม่สงบก็ต้องกลับเข้าไปใหม่ต้องทำสมาธิให้มันต่อเนื่อ ง, ท, งทั้งขณะอยู่ข้างในและอยู่ข้างนอกให้ได้ก่อนพอมันต่อเนื่องแล้วทีนี้ก็เวลาออกมาก็พิจารณาทางปัญญาได้ พอออกจากสมาธิเราเหมือนมันเสื่อมได้ครับอาจารย์ใช่สมาธิมันเสื่อมได้ไงถ้าเราไปคิดปรุงแต่งเดี๋ยวมันก็เสื่อมถ้าเราอยากไม่ให้มันเสื่อมเราก็ต้องเราก็ต้องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเจริญสติไปเรื่อยๆมันก็จะไม่เสื่อมแต่เราก็จะไม่ได้ปัญญาเราถ้าเราใช้ปัญญาพอพิจารณาใหม่ๆมันอาจจะไม่รู้สึกเศร้าแต่พอนานเข้าพอสมาธิมันเสื่อมมันก็จะเริ่มเศร้า พอมันเริ่มเศร้าเราก็หยุดพิจารณากลับเข้าไปในสมาธิไปเติมสมาธิใหม่ก่อนแล้วพอออกจากสมาธิมาก็เพิ่มพิจารณาใหม่พิจารณาจนกว่ามันจะเศร้าก็หยุดพิจารณาทำอย่างนี้สลับไปสลับมาที่ให้ทำบ่อยๆเพื่อให้ให้จำได้ไม่ใช่อะไรหรอกถ้าพิจารณาครั้งสองครั้งเดี๋ยวมันลืมต้องพิจารณาบ่อยๆจนกระทั่งทุกครั้งที่มองอะไรสวยปั๊บความไม่สวยมันจะต้องมาทันที นั่นแหะถึงนี้ถือว่าทันกันปัญญาทันกิเลสกิเลสมันจะมองร่างกายว่าสวยปัญญาบอกไม่สวยตร ง, งนี้ถ้าปัญญาทันแล้วต่อไปการอารมณ์ก็เกิดขึ้นไม่ได้เข้าใจยังเข้าใจแล้วครับโอเครครับเหมือนแล้วยังเหมือนครับโอเคเอ้วอาจารย์โกวันนี้พูดเบาๆก็ได้นะเสียงดังสแตนร์แอลลอ ทับเวลาที่ตั้งแต่เริ่มต้นของการบวชก็ใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเช่นให้หูวคนต้นไม้ฉันยาดองได้น้ำมุดเน่าเผยแผ่าศาสนาที่ยอินทบาทหลังจากนั้นผ้าคลองก็ใช้กาเสวพักย้อมพินทุให้เกิดเป็นผ้าสามผืนทั้งหมด ที่เราเห็นแล้วยังห้ามอาวาสิพิหาเลให้อยู่แต่ในวัดแล้วเราก็เห็นฤทธิ์ของพุทธองค์ที่ทำให้เกิดสองพันกว่าปีมีวัดวาลามเต็มโลกไปนี้ไปหมดคำถามคือทำไมพุทธองค์จึงใช้ทานตีเป็นบาทเพื่อที่จะเป็นผู้ขอคำถามนะครับทำไมใช้ทานเพื่อเป็นนั้นเนื้อนาบุญทั้งทั้งที่ ท, ทานมีตั้งเศษทาน ทำไมใช้ทานเป็นตัวแรกที่เป็นตัวกำหนดครับก็คือต้องกินน่ะเป็นพระหรือเป็นโยมก็ต้องกินข้าววิธีหากินของพระก็คือการไปบิณฑบาตมีประโยชน์สองสองแดงด้วยกันประโยชน์ของพระเองพระได้อาหารโยมก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญกับพระที่มีศีลการสนับสนุนคนดีกับสนับสนุนคนไม่ดี ผลมันต่างกันนะไปทําบุญกับโจรกับไปทําบุญกับพระถ้าทําบุญกับโจรก็ส่งเสริมให้มีโจรบ้านเมืองมากขึ้นถ้าทําบุญกับพระก็ส่งเสริมให้มีพระในบ้านในเมืองมากขึ้นเน้นการบินตาบานี้เป็นประโยชน์กับพระและประโยชน์กับสังคมและเป็นวิธีฝึกสอนพระให้รู้จักเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นไม่ให้ถือตนถือตัวให้คิดว่าตนเป็นผู้ขอเป็นผู้ตำต้อยเพื่อละกิเลสอัตตาตัวตนหลังจากนั้นพอทานสำเร็จตัวเองก็ทราบดีว่าทุกวันนี้ของที่มาอยู่ที่ร้านก็ไม่สามารถจะรับทานหมดเพราะคนนามาให้เยอะมากตอนนี้กำลังทำตัวสุดท้าย คืออภัยทานซึ่งวิทยาทานกับธรรมทานก็ทําอยู่เรื่อยๆอยากทราบอาจารย์อาที่ถามอาจารย์ก็คือตัวทานเราสามารถจะเห็นเป็นของเป็นของกินเป็นข้าวยาป่าเป้งแต่ตัววิทยาทานธรรมทานและอภัยทานเราจะเห็นได้อย่างไรครับอาจ า, ารย์คือทานสี่อย่างนี้ไม่ได้เป็น สิ่งที่เราต้องทำครบทั้งสี่อ่ะเข้าใจไหมเรามีอะไรทำแบบไหนได้เราก็ทำแบบนั้นความหมายถ้าเรามีแต่ทรัพเราก็ทำทรัพทาวัตถุทานไปถ้าเกิดเรายากจนไม่มีทรัพแต่เรามีความรู้ทางทำตั้งหน้าทาปากหรือทําเผาทาผมเราก็เอาความรู้นี้สอนคนอื่นไปโดยไม่คิดตังของอันนี้ก็เป็นวิทยาทานไป ถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีเงินแต่เราเป็นคนที่ย่อ่อนน้อมถ่อมตนให้เมตตาใครอยากจะดา่าเราก็ให้อภัยเขาไม่ถือโทษโกอดเคืองเขาอันนี้แล้วแต่ภาวะที่เราอยู่ถ้าเราเป็นพระบรรลุ ธ, ธรรมมีธรรมะอย่างเดียวไม่มีเงินไม่มีอะไรจะให้ก็ให้ธรรมะไป แล้วแต่สภาพของเราว่าเราให้หลายได้เราก็ให้อย่างนั้นไปไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปหาทั้งสี่อย่างมาให้ mm. เข้าใจไหมถึงอยากคบสูตรไม่ใช่อย่างนั้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนรือหรือหลายๆอย่างที่เราสามารถจะให้ได้เราก็ให้ไปถ้าเราไม่มีไม่ต้องไปหามาเช่นบางคนเข้าใจผิดอยากจะได้บุญต้องไปหาเงินมาทาบุญนี่ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่เป้าหมายของการทำบุญ เป้าหมายของการทำบุญเพื่อกำจัดเงินทองที่เรามีมากเกินไปถ้าไม่กำจัดเดี๋ยวกิเลสมันจะออกไปใช้แล้วมันจะมาเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับเราเวลาคนเดินเข้าเมืองกับคนเดินออกเมืองตัวที่เราอยู่คนต้นไม้จะนิ่งกว่าแน่นอนอยู่แล้วแต่ด้วสภาวะ ตั้งแต่เด็กจป็นโตที่เป็นช่างเสริมสวยมา40 ป, ปีก็ต้องอยู่กับข่าวอยู่กับเมืองอยู่กับมนุษย์ตลอดเวลาหัวสมองติ๊กตอกติกตอกเวลาทางานตอนนี้ที่อาจารย์สอนก็จากสมถาวิปัสนาก็เข้าสู่ตัวที่เป็นหนักกว่านั้นก็คือฌานภาวนาบางทีก็เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้เป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ เพราะสติไงไม่มีสติที่จะคอยควบคุมความคิดถ้าเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ต้องคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านเข้ายากเหมือนแทนที่จะเหยียบเบรกไปเหยียบแต่คันเร่งเข้าใจไหมถ้าต้องการให้รถมันหยุดต้องถอนต้องถอนคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกทีเราเวลาต้องคุยกันนี่เหมือนเหมือนเหยียบคันเร่งเพราะต้องใช้ความคิดเนี่ย ครัอาจารย์ครั้งที่แล้วได้อาจารย์ได้พูดถึงสังสารวัตรตอบมาเรียบร้อยแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งตัวขอให้อธิบายอธิบายลากศัพ์เจตสิก ค, ครับหมดคำถามความจริงเราก็ไม่เก่งทางด้านบาลีอะไรนะแต่เท่าที่เข้าใจาควาว่าเจตสิกก็คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจิตนั่นแหละเรียกว่าเจตสิกเราไม่เปิด g o o ก l e ดูก็ได<า>้เวลา โกเจอในหนังสือธรรมเวลาโกแกะไม่ออกโกยิงจะถามเพราะว่าตัวของโกก็แค่บวชธรรมดาบันนอกบรร น, นอกแล้วก็หลังจากนั้นศึกมาก็ไปทำผมเลยก็เลยไม่ค่อยได้เข้าใจภาษาธรรมครับอาจารย์ไม่เป็นไรละไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาะไรเจตสิกเท่าที่เข้าใจก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่ในจิตนี้เราเรียกเจตสิกหมด อารมณ์ธรรมอารมณ์เวทนาสัญญาสังการนี่เป็นถือว่าเป็นเจตสิกหมดครับอาจารย์ปรมังสุขขังสาธุมี ญ, ญาติโยมอยากจะถามไหมค่ะ ก็อือยากจะถามว่าอย่างหนูค่ะมีความปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ยังมีความเจริญอยากจะเจริญทางธรรมด้วยอะไรเงี้ยทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่าจริงๆแล้วคนเราก็คือสามารถมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมๆกันได้หรือไม่จ้าค่ะก็ในระดับหนึ่งก็ได้อีกระดับหนึ่งมันก็ไม่ได้ถ้าในระดับที่เรา ปฏิบัติแค่ระดับศีลห้าธรรมทานนี้เราก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญทางโลกได้เพราะมันไม่ขัดกันสนับสนุนกันการรักษาศีลห้ามันทำให้เราปลอดภัยจากปัญหาต่างๆจากการกระทำที่เกิดโทษถ้าเราไม่รักษาศีลห้ามันก็อาจจะทําผิดกฎหมายผิดอะไรก็อาจจะต้องมีเรื่องมีราวได้ยั้นถ้าเราอยู่ปฏิบัติแค่ระดับ อาศีลห้าแล้วก็ระดับทําทานนี้เราก็ยังสามารถที่จะมีเวลาไปหาเงินหาทองไปทำธุรกิจอะไรต่างๆได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะขึ้นไประดับภาวนาคือทำใจให้สงบนี้ถ้าทำเล็กๆน้อยๆก็ก็ยังไปด้วยกันได้เช่น ท, ทำตอนก่อนนอนทำหลังจากตอนเช้าตื่นนอนก่อนไปทางานอะไร ก็ยังพอทำได้แต่มันจะได้น้อยถ้าแต่พอเรานั่งเราสงบเรารู้ว่าความสุขที่ได้จากความสงบมันดีกว่าเงินที่เราได้จากการทำธุรกิจเราก็ต้องเลือกทางแล้วว่าเราจะเอาอย่างไหนเพราะถ้าเราต้องการความสุขจากการสงบเราก็ต้องทำให้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้ความสุขที่ดีกว่ามากขึ้นไปตามลาดับตอนนั้นมันก็จะเริ่มแยกทางกันไป แต่ตอนเริ่มต้นนี้มันไปด้วยกันได้ออาทางนี้ครับผ ม, มขออนุญาตถามนะครับสองสาม 2, คำถามนะครับราอาจารย์มผมเคยติดตามอาจารย์มาประมาณสักสี่ห้าเดือนที่แล้วเหมือนมีพี่พยาบาลถามคำถามว่า เขาต้องเข้าผ่าช่วยผ่าตัดในกรณีเอาเด็กออกไม่ไม่แน่ใจว่ามีโรคของมารดาที่จําเป็นที่จะต้องอเอาเด็กออกหรือเปล่าแล้วก็ทีนี้อยากถามว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีกําหนดไหมครับว่าตั้งแต่เมื่อไหลที่มีจิตมาเกาะแล้วการทําแท้งหรือว่าการเอาเด็กออกไม่ว่าจะเป็นมีโรคของมารดาที่มีความจําเป็นที่จะต้องเอาออกเนี่ย อายุคันเท่าไหร่ถึงจ ะ, ะไม่เป็นบาปอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ตั้งแต่ปฏิสนธิเลยตั้งแต่ปฏิสนธิตั้งแต่เริ่มต้นของชีวิตเลยก็ถือว่ามีชีวิตแนละ้ว อ๋ อ, อพอส่วนของบิดามารดามาพบรวมกันแล้วมีดวงวิญญาณมาเกาะปับ๊บมันก็ปฏิสนธิเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาก็ถือว่าเริ่มมีชีวิตแล้วอ๋อครับคําถามที่สองนะครับคําว่าจิตตะที่เวลาอ่านหนังสือเจอหรือว่าฟังเทศนะครับคืออาจารย์จะใช้คําว่าใจใจแทนคํานั้นใช่ไหมครับ อ, อ, อยากทราบว่าตัวสังขาร กับวิญญาณในขันห้าเนี่ยเป็นส่วนประกอบของจิตตะหรือเปล่าครับคือสังขารวิญญาณในขันห้าเนี่ยมันมันมันเป็นนามะขันทั้งคู่นามะขันก็คื อ, เ, อเจตสิกหรือสิ่งที่มีอยู่ในจิตเรารมีอยู่สี่ด้วยกันคือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่คำว่าสังขานี้บางทีเราไปเปลี่ยนไปแปลว่าเป็นร่างกาย แล่เาต้องรู้ก่อนว่าเรากําลังพูดถึงสังขารตัวไหนครับถ้าสังขารความคิดปรุงแต่งก็อยู่ในใจอยู่คู่กับวิญญาเวทนากับกับเวทนากับสัญญาครับนี่เป็นเป็นกลุ่มเดียวกันครับเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ครับสัญญาคือความจําได้หมายรู้จําว่าเสียงนั้นเป็นใครรูปนี้เป็นใครเนื้กสัญญาครับวิญญาเป็นผู้รับเสียงมาจาก หูรับรูปมาจากตาส่วนสังขารหนึ่งที่ผู้ปรุงแต่งว่าจะทำไงานกับรูปเสียงกิ่นรสเหล่านี้ดีเออจะไปเอามาหรือจะจะทิ้งไปจะจะหนีจากรูปนั้นเสียงนั้นไปครับอันนี้คือสังขารนะครับอยู่ในใจอยู่ในจิตขอบคุณครับอ้าผมมีอีกคําถามนะครับสุดท้ายแล้วครับ เ, เมื่อประมาณปีที่แล้วอะครับคือผมทํางานที่ เป็นหมอแล้วต้องรักษาคนไข้เอชไส่วนใหญ่จะเป็นผมเป็นโรคติดเชื้อครับแล้วก็เมื่อปีที่ผ่านมาจะมีคนไข้อยู่สักสองสามคนที่เป็นโรค HIV ระยะสุดท้ายที่ผมก็ดูแล้วว่ามันมันทบจะมันแทบจะไม่มีทางรักษาได้แล้วแล้วก็เวลาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะมี การรักษาที่เรียกว่า comfort care หรือ comfort measure only ซึ่งผมแนะนำให้เขาทำอย่างนี้แล้วเขาก็เชื่อซึ่งก็จะหยุดยารักษาทุกอย่างยกเว้นว่าแต่จะให้ยาแก้ปวดกับยา ช, ช่วยให้ใจสงบครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปฉีดยาให้เขาตายเหมือนยูทาเนเซียอย่างนั้นนะครับ อ, อย่างนี้ไม่เป็นบาปหรือเปล่าครับไม่บาปหรอกก็รักษาตามอาการไปตามสภาพไปถึงแม้บอกว่าไม่รักษาเลยก็ไม่บาป หมอยารักษาก็เสียเวลาเปล่าแต่ก็ต้องอย่าไปบังคับเขาเท่านั้นเองเพียงแต่เป็นการบอกเขาให้ใหรูรช้ช่องทางของวิธีที่จะดําเนินต่อไปออครับว่ารักษาแบบตามาการคือพยุงมันไปให้อาหารให้น้ําไปให้ยาแก้ปวดไปแต่จะใช้ยามารักษาให้โรคมันหายมันไม่มันไม่มียาที่จะรักษาให้ได้ครับ หรือว่าไม่ต้องรักษาเลยให้เพียงแต่น้ํากับข้าวไปเจนกว่ามันจะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ถือว่าเป็นบาปไม่ได้เป็นการฆ่าร่างกายครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีคนไข้ที่ใส่ท่อหายใจไปแล้วติดกับเครื่องช่วยหายใจไปแล้วแล้วอ ญาติมาตัดสินใจว่าไม่เอาละอยากจะถอดเข้ารักษาคนถอดผิดไหมครับไม่ผิดเราหยุดการรักษาเท่านั้นเองแล้วก็คือปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามของมันเองเหมืนก็หยุดการให้อาหารหยุดการให้น้ําให้หลมไปครับแต่ถ้าไปฉีดยาทําให้เขาตายหรือว่าไปไปอุดจมูกเขาแม่งเขาหายใจถึงจะเรียกว่าเป็นการกระทําเป็นการฆ่าครัขอบคุณมากครับอาจารย์ อ่ามีข้างหลังเลยฮะเชิญพูดใกล้ๆปากน่นอยนะครับอาจารย์ครับคือผมปฏิบัติโดยดูลมหายใจครับอาจารย์แต่คราวนี้ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันลักๆกนั่งแล้วมันจืดจั๊กแล้วก็พอนั่งไปสักพักเหมือนมันก็จะคายออกไปเองฮะทั้งที่มันก็รู้ว่ามันมันจะคายแต่เราก็มีความรู้สึกในใจว่ามันเหมือนจะปฏิบัติผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราควรจะมองว่ามันมันเป็นแบบ เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเลยหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าทั้งที่รู้ก็ปล่อยมันไปเลยกันหรือเปล่าอชจารมันนั่งไปสักพักแล้วมันหายอึดอัดก็ไม่เป็นไรเพราะใหม่ๆจิตมันจะต้านครับจิตมันจะเมืมันมันมลมมันจะแบบเอหายใจบ้างไม่หายใจบ้างอย่างนี้ฮะก็พยายามดูไปแล้วเดี๋ยวมันก็หายอึดอัดเองก็ใช้ได้ใหม่ๆจิตมันจะต่อต้านมันจะไม่ยอมแต่ถ้าเรามีสติ ที่ไม่ไม่ยอมแพ้มันเดี๋ยวมันก็ยอมแพ้เราเองครับพอมันหยุดต่อต้านมันก็มันก็หายอึดัดมันก็เบาครับอแล้วเอในชีวิตประจําวันเนี่ยฮะเหมือนบางทีเราแบบเราไม่อยากจะรู้สึกตัวบางครั้งมันก็ไปรู้สึกตัวแล้วมันก็ไปจับที่ลมหายใจอย่างเงี้ยพ่ออาจารย์เพราะมันจับบ่อยๆเข้าไปบ่อยๆเขารู้สึกว่ามันบางครั้งมันมันไม่ชอบอ่ะอาจารย์ก็ไม่ชอบเหมือนที่มันจะแบบไม่ราอยากไปรู้ไม่อยากจะรู้สึกเดาหมาเข้าว่ายังไงเหมือนกับว่า พอเราหลงใช่ไหมมันเหมือนมันไปรู้สึกแล้วว่ามันหลงไปแล้วแล้ ว, ลวมันก็มารู้จับกลับมาจับอยู่ที่ลมหายใจเองฮะเหมือน <IS AS> มันกลับมารู้อยู่ที่ลมหายใจเองอาจารย์ก็ให้มันกลับมาอยู่ที่งานที่เราทําก็ได้ถ้ามันจะไปอยู่เรากําลังทําอะไรอยู่ก็บอกให้กลับมาที่งานที่เราทําอยู่เราสั่งมันได้ ไม่ต้องไปที่ลมไม่ต้องไปที่พุโทโธก็แล้วเ<อ>ช่นเรากำลังแปลงฟันอยู่แล้วเราไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้พอเรารู้สึกตัวว่าเราไม่ควรไปเราก็ดึงมันกลับมาให้อยู่กับการแปลงฟันต่อไปไม่ต้องอยู่ที่ลมก็ได้เพราะลมนี้ควรจะดูตอนที่เรานั่งเฉยๆแต่ถ้าเรายังมีการเคลื่อนไหวทำอะไรอยู่เราควรจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายมันจะได้ไม่ผิดพลาดและจะได้ประโยชน์ จะได้ทำของไม่ถของของไม่เสียหายเนี่ับเพราะบางทีบางทีเรานั่งอยู่เฉยอย่างเมื่อกี้ผมนั่งฟังท่านอาจารย์ฟังไปบางทีมันก็เผลอมันก็แบบเหมือนรู้ว่ามันหลงไปคิดเนี้ยแล้วมันก็จับมาเองมาจับลมหายใจเองเนี่ยให้มันกลับมาฟังต่อเลเพราะมันอาจจะเป็นนิสัยของเราวิธีดึงสติกลับมาก็คือให้กลับมาที่ลมพอมันกลับมาที่ลมแล้วเราก็ให้มันกลับมาทําสิ่งที่เรากําลังทําต่อไป ถ้ากําลังฟังธรรมอยู่ก็ให้มันกลับมาฟังธรรมต่อไปดึงมันจากลมออกมาอีกทีหนึ่ง อ, อ<า>ง๋อจะมันกลับมาลัทีิก็ดึงจากลมมาอีกทีหนึง่งดึงาจากลมมันก็มามาอยู่ที่การฟังธรรมต่อแล้วถ้าเกิดมันเราอยู่กับลมต่อไปเนี่ยเหมือนึว่าเราพอตอนตอนแรกเราบีสติเลยใช่ไหมฮะอพอลมปุ๊บอยู่กับลมเราบีสติแล้วเราควรจะอยู่กับลมต่อไปเลยไหมฮะถ้าอยู่กับลมมันก็ไม่ได้ฟังธรรมนั่นนั่นเองไม่ได้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ ก็แล้วแต่ว่ามันมีความจําเป็นจะต้องอยู่ที่ไหนสกว่าถ้ากําลังขับรถอยู่ถ้าไปอยู่กับลมมันเดี๋ยวก็ออก็กกต้องกลับมาอยู่ที่การขับรถ ด, ดูที่ว่าเราใช้ชีวิตประจํำวันยังไง อ, อแต่ถ้าไม่ต้องทําอะไรนั่งเฉยๆก็ดูลมไปเพราะไม่มีอะไรให้ดูแล ก, ก็ดูลมต่อไปได้แต่ถ้าฟังธรรมอยากจะฟังธรรมต่อก็ต้องกลับมาที่ฟังธรรมถ้าไปอยู่ที่ลมก็จะไม่ได้ฟังธรรมจะไม่รู้ว่าเรากําลังคุยกันเรื่องอะไรอยู่ครับ แล้วอย่างเช่าพอรู้รวมเสร็จปุ๊บแล้วมันจะมีอาการอึดอัดอยู่ก็ปล่อยมันไปเลยใช่ไหมครัก็ปล่อยมันไปมันอยากจะจับแน่นๆก็ปล่อยมันไปแต่ก็รู้ต่อไปใช่ไหมครัคืออาการอึดอัดนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตข้อสําคัญขอให้เรามีมีสติให้จิตรู้อยู่กับปัจจุบันอย่าไม่ให้เป็นไปคิดปรุงแต่งซึ่งเวลาดึงมันกลับมามันอาจจะฮึดฮัดสู้กับเรามันทําให้เรารู้สึกอึดอัดก็ได้ แต่เราต้องการให้มันอยู่เฉยๆไม่ให้คิดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆรู้ลมก็ได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรก็ได้กลับกลัผมตัางใจครับมีกรอยากจะถามอไหมวันนี้นานๆจะมีคนที่มาฟังถามปัญหากันกต้นคเตะมีแต่คนทางบ้านเหลืออีกสี่นาทีให้ทางบ้านมง คำถามจากทางบ้านคุณก้าวครับการสวดมนต์แบบพึมพำในคอหรือเปล่งเสียงเบาๆกับเปล่งเสียงดังๆอันนี้สงส์ต่างกันหรือไม่เจ้าคะน้องดูว่ามันสวดแล้วมันคิดหรือไม่ดูตรงนั้นดีกว่าถ้าสวดแล้วไม่คิดจะแบบไหนก็ได้เหมือนกัน พราะวาผลที่เราต้องการก็คือหยุดความคิดต่างๆถ้าพึมพมก็ยังคิดอยู่ถ้าออกเสียงดังก็ยังคิดอยู่ก็ผลมันก็ไม่ต่างกันต่างกันในที่ว่าเราหยุดความคิดได้หรือเปล่า <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณลักษินาเตรียมอาหารใส่บาตรหน้าบ้านแต่พระไม่มาเลยเอาอาหารไปให้ลูกกินจะบาปไหมเจ้าคะอ๋อไมบาปแล้วเป็นของเรา เพียงแต่ว่าเมื่อเราไม่สามารถทำบุญได้เราวันนั้นเราก็ไม่ได้บุญเท่านั้นเองแต่ไม่บาป คำถามต่อไปจากคุณรัชนีหากระหว่างวันหนูมักจะรู้กายรู้ใจหรือรู้ลมหายใจอยู่เนืองหากตายไปในขณะที่เกิดภาวะแยกกายแยกใจออกจากกันได้ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกหรือไม่เจ้าขาอ๋อยังต้องกลับมาเกิดอยู่ถ้าเรายังไม่ได้ใช้ปัญญากำจัดความอยากต่างๆคำถามต่อไปจากคุณแสง การชำระหนี้สงเป็นอย่างไรแล้วในสมัยพุทธกาลมีใหม่เจ้าคะ่ะก็เป็นความเชื่อของชาวพุทธเราว่าเวลาเราไปวัดเราไปใช้ของพระของวัดนั่นเองใช้น้ำของวัดใช้ไฟของวัดเราก็อยากจะช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟเราก็เรียกว่าชำระหนี้สงไปสงเป็นหนี้โรงไฟฟ้าเป็นหนี้นะประปาเราก็มาช่วยชำระหนี้สงให้ เราไม่ได้เป็นหนี้สงหรอกสงไม่เก็บเงินเก็บทองใครมาวัดนี่เราไม่เก็บค่าน้าค่าไฟจากญาติโยมแต่ญาติโยมรู้ว่าทางวัดต้องมีค่าน้าค่าไฟเป็นหนี้ต้องสงเป็นหนี้ค่าน้าค่าไฟญาติโยมก็เลยมาช่วยจ่ายค่าน้าค่าไฟให้มาช่วยชำระหนี้สงให้คำถามต่อไปจากคุณธรรมนูน อัปปนาสมาธิกับอรูปฌานสองสิ่งนี้อยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่ครับอรูปฌานนี่สูงกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิความจริงัมาจะว่าอัปปนาสมาธินี่มันคุมไปหมดก็ได้นะเพราะว่าความสงบโดยอรูปรเคยรูปฌานไปแล้วมันก็ยังสงบอยู่เพียงแต่ว่ามันสงบลึกกว่า ฉะนั้นก็ไม่อาจจะว่าตั้งแต่ฌานสี่ขึ้นไปนี้ก็จะถือว่าเป็นอัปปนาสมาธิได้หมดต่างกันตรงที่ว่ามันมันนิ่งมากกว่ากันนิ่งมากน้อยกว่ากันสงบมากน้อยกว่ากันพอเข้าสู่ขั้นแนรูปฌปานมันก็จะนิ่งกว่าขั้นรูปฌานแต่มันก็สงบเป็นอัปปนาสมาธิเหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณชรินทิปเวลาหนูเห็นคนทำบุญเงินเยอะๆ ก็สาธุและยินดีกับเขาแต่อดคิดไม่ได้ว่าทำอย่างไรเราจะได้มีวาสนาบารมีมีเงินร่วมบุญแบบนี้เยอะๆพังเจ้า่ะก็เป็นเรื่องของบารมีบารมีมันต้องใช้เวลาสร้างฉะนั้นชาตินี้เราไม่มีเราก็ไม่ต้องไป อ, อยากมีถ้าเราอยากจะมีเราก็พยายามทำบุญไปเรื่อย แล้วพบนาชาณาเราก็จะมีเงินมากขึ้นไปตามลำดับแล้วเราก็จะได้ทำบุญได้มากขึ้นไปตามลำดับเองคะคำถามต่อไปจากคุณพันธิพาถ้าต้องการบรรลุธรรมจำเป็นไหมคะที่ต้องออกบวชแล้วถ้าเป็นผู้หญิงควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อการบรรลุธรรมเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายพะระนโยมก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเหมือนกัน พแต่ว่าถ้าได้บวชนี่มันจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่เพราะว่าการบวชนี้เป็นสภาพที่ที่พร้อมที่สุดในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่ได้บวชมันก็อาจจะต้องมีภาระมีอะไรเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยทำให้ไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แต่ถ้าเป็นผู้ครองเรือนที่ไม่มีภาระหน้าที่ไม่มีความผูกพันกับใครอยู่คนเดียวได้ สามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เต็มที่เหมือนกับพระก็ก็ไม่ต้องบวชก็ได้แต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าได้ไปบวชได้ไปอยู่วัดมันมีสถานที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบรรลุธรรมได้มากกว่าเพราะหนึ่งอาจจะมีครูบาอาจารย์สองอาจจะมีสาธรร ม, มิกผู้ที่เขาปฏิบัติสูงกว่าเราเก่งกว่าเรา เขาก็จะได้เป็นตัวอย่างคอยดึงเราให้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นถ้าเราปฏิบัติคนเดียวนี่เร า, าไม่รู้ว่าเราปฏิบัติเข้มข้นพอหรืยอยังเราถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกเราก็ไม่มีใครบอกเราว่าเราไปถูกทางแล้วไม่ถูกทางเราก็ต้องคอยอาศัยอ่านคอยฟังเทศฟังธรรมซึ่งอาจจะไม่พอ ถ้าเราไม่ได้อยู่ใกล้ทิศกยวครูบาอาจารย์ท่านไม่เห็นเราถ้าอยู่ใกล้ทิศท่านเห็นเราพอท่านเห็นว่าเราไปในทิศทางที่ไม่ถูกท่านก็จะได้เตือนเราได้มันก็จะต่างกันตรงนั้นคำถามต่อไปจากคุณนะครับคาถามสุดท้ายจากคุณแมนการบริกรรมภาวนาพุทโธ ท, ที่ใช้นั้นถ้ายังไม่เป็นสติสมาธิหมายถึงบริกรรมไปแต่ไม่ถึงความสงบ คือถือเป็นอารมณ์แต่ว่าไม่สงบอย่างนั้นจะปฏิบัติเช่นไรจึงจะให้ถึงความสงบสุขได้เร็วขึ้นครับเพราะพุทโธด้วยอารมณ์ที่หนักหน่วงจะมีอุบายสอนจิตเช่นไรจึงจะสงบได้จากคำบริกรรมภาวนาคือให้มีความเข้าใจให้เป็นปัญญาได้เช่นไรครับการบริกรรมพุทโธนี้ไม่เกี่ยวกับปัญญาการบริกรรมพุทโธนี้ ต้องให้มันต่อเนื่องไม่ให้มันแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยแล้วมันก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็แสดงว่ามันยังไม่ต่อเนื่องมันพุโทโธพุธโทโธแล้วก็มีความคิดนั้นความคิดนี้แทรกเข้ามาอย่างนี้ก็ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆจนกว่าการบริกรรมพุโทโธจะมีกําลังมากกว่าจนทําให้ไม่มีความคิดต่างๆแทรกเข้ามาได้แล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบจะรวมได้ของมัน อันนี้ต้องพยายามเพียนเจริญสติไปเรื่อยๆใช่ไม่มีทางลัดไม่มีทางอะไรต้องให้มันมีสติที่เป็นสัมปชัญญะให้มันต่อเนื่องให้มันหยุดความคิดปรุงแต่งอย่างต่อเนื่องแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา